ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายพากันตั้งใจที่จะทำความสงบในเบื้องต้นนี้ก็ให้ว่าตามอาตมาทุกคน <c oughs> ข้าพเจ้ารละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์จงมาดลบรรดาลให้ใจของข้าพระเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆ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 ให้กำหนดจิตนั้นให้เทีย่ยงอย่าให้จิตนี้สายแสไปตามอารมณ์ต่างๆให้จิตนั้นอยู่ที่จิตใจนั้นอยู่ที่ใจเมื่อกำหนดได้นั้นก็พยายามถ้าหากว่าใจนี้มันจะสายแสไปในทางนน้นทางนี้เราก็ดึงมันกลับมา อยู่ที่ปุดโธถ้ามันยังนึกไปอีกเราก็ดึงมันกลับมาอีกอยู่อย่างนั้นเมื่อเราทำอยู่อย่างนั้นในไม่ช้าจิตนี้ก็จะอยู่จิตที่อยู่นั้นก็คือตั้งมัน่นไม่วันไหวไปตามอารมณ์จิตก็ถือว่าเป็นสมาธิ เป็นสมาธินั้นมีอยู่สามประการสมาธิเบื้องต่ําสมาธิเบื้องกลางและสมาธิขั้นสูงสมาธิเบื้องต่ํานั้นเรียกว่าคณิกาสมาธิสมาธิที่เป็นคณิกาคือสมาธิฉิตเฉียดหรือเรียกว่าสมาธิเบื้องต้นก็หมายถึงว่าต้องใช้คําวริกรรมจึงจะเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะมีอาการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอาการอย่างหนึ่งนั่นคือการจิตเข้าผวังจิตเข้าผวังก็เหมือนกับเรานอนหลับเมื่อเรานึกพุโทโธพุธโทโธไปจิตเข้าผวังก็จะรู้สึกว่ามันหายไปหรือบางทีก็ลืมพุโทโธไปบางทีก็รู้สึกตัวเบา บางทีก็รู้สึกสบายอย่างนั้นเรียกว่าจิตเข้าผวังเมื่อจิตเข้าผวังไปแล้วมันจะอยู่ได้สักครู่หนึ่งผวังก็จะถอนขึ้นมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ในผวังนั้นบางทีก็มีนิมิตนิมิตเห็นปราสาทราชวังนิมิตเห็นเปรตอสุรกาย นิมิตเห็นบ้านนิมิตเห็นถนนนิมิตเห็นภูเขานิมิตเห็นอากาศดวงเดือนดวงดาวอะไรต่างๆเวลาจิตเข้ารวังนั้นสามารถที่จะเห็นเป็นนิมิตได้แต่นิมิตเหล่านี้ไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นจริงเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความ ที่เคยจำไว้หมายเอาไว้แต่อดีตเพราะฉะนั้นนิมิต จ, จึงเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งในนิมิตนั้นก็ถือว่าเป็นสมาธิขั้นขนิกะคือเป็นสมาธิเพียงชั้นต่ำถ้าเราเห็นเป็นนิมิตต่างๆนั้นเราต้องไม่ยึดถ้าเรายึดอยู่ในนิมิตถือว่าเรายัง อยู่ในสมาธิขั้นต่าอยู่และถ้าหากว่าเรายิ่งยึดนิมิตมากเท่าไรจิตนั้นจะไม่มีเวลาที่จะสูงขึ้นไปได้จําเป็นที่จะต้องไม่ยึดในนิมิตนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ใดไม่มีนิมิตเสียก็ไม่เห็นไม่เป็นไรเพราะว่านิมิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์เท่านั้นเอง บางคนก็พูดว่าฉันนั่งมาตั้งนานไม่เห็นอะไรเลยอันนั่นแหละมันเป็นการดีผู้ที่ไม่เห็นอะไรเลยก็คือผู้ที่ไม่ค่อยจะมีอุปทานมากนักคนที่มีนิมิตมากๆก็คือคนที่มีอุปทานมากไปนิมิตก็เกิดขึ้นแต่นิมิตนั่นมันก็ไม่ได้ทําความเสียหายอะไรให้กับสมาธิ มันเป็นเพียงสิ่งบอกเหตุบางสิ่งบางประการเท่านั้นถ้าผู้ใดไปถือนิมิตเป็นสาระประโยชน์ผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ยังอยู่ในภาวะของจิตเป็นคณิกะในผวังนั้นจะต้องมีเหมือนกันกันกบที่เราทำจิตเข้าผวางคือสงบไปเมื่อจิตเข้าผวังสงบไปนั้นมันจะเกิด สิ่งหนึ่งที่เขาไปอยู่ในพระวังนั้นเกิดความสบายเราจะรู้สึ ก, กว่ามันมีความสบายและอิ่มเอิบในที่นั้นมีความสบายและอิ่มเอิบในที่นั้นนั่นก็คือจิตของเราได้เป็นสมาธิขั้นหนึ่งแล้วความสบายที่มีอยู่ในที่นั้นเป็นความสบายที่มีความปกติ ธรรมดาแต่สมาธิที่เป็นคณิกะนี้จำเป็นที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้มากเมื่อทำเกิดขึ้นให้มากแล้วความสบายต่างๆนี้มันจะมีความแตกต่างกันตามลำดับพี่ว่าแตกต่างนั่นคือแตกต่างด้วยความละเอียดอ่อนในพวังนั้นอาจจะเกิดความละเอียดอ่อนขึ้นมา ซึ่งบางครั้งนั้นมันจะลึกซึ้งลงไปแต่บางครั้งมันก็ไม่ค่อยจะลึกซึ้งนักอาการกริยาเหล่านี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่นักเพราะว่าความสบายก็ดีความซึ้งก็ดีหรือความอิ่มเอิบอะไรต่างๆก็ดีเหล่านี้ก็รูวน แ, วแต่เป็นเรื่องของปฐมฌานทั้งนั้น หรือเป็นเรื่องของสมาธิขั้นต้นทั้งนั้นเองแต่ว่าบุคคลผู้ที่จะก้าวล่วงสมาธิขั้นต้นนั้น mm. ก็ไม่ใช่ง่ายนักก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยความสบายนั่นไปก่อนแต่ทุกคนที่ทำสมาธิก็ต้องการความสบายนั่นเองเมื่อความสบายเกิดขึ้นเขาก็อยู่เป็นวิหารธรรม มีความประสงค์และปรารถนาที่จะให้ความสบายเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกเมื่อความสบายเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้ตามปกติอย่างนั้นแล้วความสบายเหล่านั้นก็ ก, กลับกลายเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดศรทัทธาคนเราในเบื้องต้นที่จะทำสมาธิต่อไป น, น, นานๆนั้น จะต้องมีความสบายเป็นเครื่องจูงใจจึงจะสามารถทําให้เราเกิดศรัทธามีความเชื่อและมีความประสงค์ที่จะทําความสบายเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเมื่อเราทําได้เรื่องของคณิกะเนี่ยมันก็จะมีการรวมตัวมากยิ่งขึ้นเพราะการทําสมาธินั่นท่านเปรียบเหมือนกับการให้อาหาร แก่ร่างกายร่างกายนั้นจะมีกำลังเรียวแรงได้ก็ต่อเมื่อมีอาหารเด็กที่จะเจริญวัยใหญ่โตได้ก็เพราะอาหารฉันใดก็ดีจิตที่จะมีกำลังได้ก็เพราะสมาธิสมาธิในเบื้องต้นก็เรียกว่าคณิกะสมาธิเมื่อเราทำสมาธิอันที่เรียกว่าคณิกะนีสสำเร็จขึ้นมาได้ ก็ถือว่าเราก็มีความดีชั้นหนึ่งแต่ความดีที่เกิดขึ้นจากคณิกะสมาธินั้น<ม>เราท่านทั้งหลายทุกคนก็คงจะได้พบเห็นกันอยู่แล้วแต่การที่เราจะไปแก้สมาธิอย่างต่ำให้สูงขึ้นนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่และไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปแก้ไข เหมือน ก, นกันกับเราให้อาหารแก่เด็กเราไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขอะไรนอกจากให้อาหารอย่างเดียวเท่านั้นเด็กก็โตได้สมาธิก็เช่นเดียวกันที่เราเป็นคณิกะสมาธิเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกระตือหรือร้นในการที่เราจะทำจิตนี้ให้ก้าวขึ้นไปโดยรวดเร็ว เราก็ใช้สมาธิของเราที่เราเคยทำอยู่นั่นแล้วเราก็ทำมันอีกเราเคยทำเช่นไรเราก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันกับผู้รับประทานอาหารเคยรับประทานเช่นไรเราก็รับประทานเช่นนั้นเราก็ใส่ทางปากของเราเนี่ยเมื่อไรเราก็ใส่ทางปากเพียงสถานเดียวก็พอ เมื่อเราต้องการจะให้จิตของเราก้าวหน้าเราทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นนี่คือลักษณะของผู้บำเพ็ญสมาธิที่จะให้ก้าวขึ้นไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงย้ำหนักย้ำหนาว่าโลโภธรรมานังปริปันโทการทำความโลภให้เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอันตรายแก่สมาธิ บางคนนั่นได้ใช้ความคิดได้มีความคิดที่ว่าจะต้องใช้ความกระตือรือร้อนร้ว่าการพลิกแพงหาวิธีการด้วยประการต่างๆซึ่งก็ไม่สู้จำเป็นนักแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามข้อสาคัญที่สุดคือการรักษารักษาไม่ให้สมาธิ ไม่ให้เราเป็นผู้ที่มีความเกียจคร้านม่ให้เราเป็นผู้มีความมักง่ายไม่ให้เราเป็นผู้ที่ทัดวันและเวลามีความประมาทที่เราจะรักษาอยู่ก็มีเท่านี้คือเราต้องทำให้เป็นการสม่ำเสมอวันนี้เราทำพรุ่งนี้เราทาต่อไปเราทำคือเราทำให้เป็นการสม่าเสมอ ถึงมันจะดีถึงมันจะไม่ดีถึงจะเป็นอะไรก็ทำไปอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าการเจริญให้มากก็ทำให้มากทำไปด้วยความสม่าเสมอเช่นเดียวกันกับผู้รับประทานอาหารอย่างน่าเบื่อหน่ายของมนุษย์ทานเช้าทานกลางวันทานเย็นทานช้าทานกลางวันทานเย็นทานเช้าทานกลางวันทานเย็นปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่า ก็ทานกันอยู่นี่แหละอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปแต่ไม่ทานก็ไม่ได้มันจะตายเอาแต่ทานมันก็รู้สึ ก, กว่ามันซ้ำแล้วก็ซ้ำเล่าซ้ำซากอยู่ตลอดไปฉันใดก็ดีการทำสมาธิก็เช่นเดียวกับเรารับประทานอาหารเราก็ทําซ้ำแล้วก็ซ้ำเล่าซ้ำแล้วก็ซ้ำเล่าอยู่นี่แหละ ถ้าเราไม่ทำเมื่อไรจิตเราจะมีพลังถ้าเราไม่ทำเราจะไปรอวันไหนให้จิตเรามีพลังมันก็รอไม่ได้เพราะว่าการที่เราจะไปรอให้คนอื่นเขาส่งพลังมาให้เรานั้นมันเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยคือมันเป็นไปไม่ได้พลังที่จะให้เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นมาเองด้วยการกระทำของเรา ฉันใดก็ดีเหมือนกันกับผู้รับประทานอาหารเราจะไปให้คนอื่นเขารับประทานแทนเรามันก็รับประทานไม่ได้เราอยากอิ่มเราก็ต้องรับประทานเองเราอยากแข็งแรงเราก็ต้องทานเข้าไปเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นการหน้าเบื่อหน่ายแค่ไหนแต่มันเบื่อหน่ายไม่ได้ก็เพราะมันหิวคนทุกวันถ้าไม่ทานมันก็หิวแล้วมือสองมือก็แย่แล้ว แต่ว่าสำหรับส่วนใจของเราเนี่มันไม่มีความหิวจาเป็นเหมือนกับร่างกายก็เลยเกิดความประมาทเมื่อไรทำก็ได้คือมันไม่เกิดความหิวแต่คนไม่รู้หรอกว่าเมื่อไม่ทำสมาธิแล้วเนี่จิตมันมีความฟุ้งซ่านจิตมันมีความกังวลจิตมันมีความวุ่นวาย นั่นแหละคือความผิดปกติเมื่อความวุ่นวายความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตได้คือไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็ร้อยเหตุเราไม่มีกำลังเพียงพอเมื่อไม่มีกำลังเพียงพอเราควบคุมไม่ได้เราก็เกิดความเดือดร้อน บุคคลทั้งหลายที่ไม่มีสมาธินั้นไม่มีการควบคุมจิตใจก็ตัดสินใจผิดพลาดเมื่อเกิดการตัดสินใจผิดพลาดบุคคลคนนั้นก็เสียใจภายหลังว่าเราไม่ควรทาทำไมเราถึงทำไปเพราะความโมโหเพราะความฉุนเฉียวเพราะความไม่พอใจเพราะความที่ควบคุมจิตใจไม่ได้ก็เลยทำไป นี่ก็เป็นเรื่องของสมาธิคือเป็นเรื่องของสมาธิที่อ่อนแอเมื่ออ่อนแอแล้วการควบคุมจิตใจนั่นก็ควบคุมไม่ไหวในเรื่องของสมาธินี้ก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราได้พยายามทำจิตของเราอยู่สม่าเสมอมีพละมีกำลังอยู่สม่าเสมอ เราก็สามารถที่จะทำให้เกิดพลังขึ้นมาได้เพิ่มเติมขึ้นมาได้เมื่อเพิ่มเติมขึ้นมาได้เราก็มีส่วนคือเรามีส่วนที่ได้ดีกว่าบุคคลผู้ที่ไม่ทำมากมายเรียกว่ามีส่วนที่เพิ่มพูนพละกกำลังยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิในเบื้องต้นนี้จึงเป็นสมาธิที่เราจะใช้โดยทั่วๆไปเราสามารถที่เราจะใช้ได้คือประโยชน์ใช้สอยมีเกิดขึ้นเราลองคิดดูว่าเมื่อเราเลี้ยงลูกของเราโตขึ้นมาแล้วเราจะให้มันทำอะไรเราก็ให้ทำให้มันหุงข้าวแทนเรา ให้มันทำงานแทนเราให้มันปฏกวัตดบ้านมันก็มีโอกาสทำได้ชั้นใดจิตของเราในเมื่อเราพยายามที่กจะทำให้เกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งสามารถควบคุมจิตใจได้แล้วก็สามารถที่จะบังคับให้จิตใจนี่เดินไปในทางที่เราต้องการทางที่เราต้องการนั้น คือทางสวรรค์นิพพานหรือเรียกว่าทางบุญทางกุศลเมื่อเรามีความควบคุมจิตใจได้เราก็ไปวัดได้เราก็ไปปฏิบัติได้เราก็ทําบุญทาทานได้เราก็สร้างกุศลได้ทุกอย่างนี่คือผลพวงที่เกิดขึ้นมาจากสมาธิในเบื้องต้นก็เห็นปานนี้แล้ว เรียกว่ามีผลมหาศาลแต่ว่าเมื่อมีผลขึ้นมาแล้วนั้นอยู่ที่การที่เราจะทำต่อเนื่องต่อไปการทำต่อเนื่องต่อไปนั้นก็คือการกระทาโดยที่ไม่มีความหยุดยัง้งหรือเรียกว่าหยุดหย่อนการกระทาที่ไม่มีการหยุดยั้งและหยุดหย่อนนั้นและที่จะทำให้จิตของเราเข้าสู่อุปจาระ อุปจาระนั้นได้แก่จิตที่เพิ่มปูนกําลังขึ้นมากแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่ถ้าจะพูดก็คือได้เป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วอุปจารสมาธินั้นเมื่อเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ถือว่าเป็นการกระทำจิตในเบื้องตน้นแต่เมื่อเราไม่บริกรรมพุทโธแล้ว จิตนั้นมันก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็ตั้งอยู่ได้ตามความประสงค์อย่างนั้นเรียกว่าอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธินี่ เ, เรียกว่าเป็นสมาธิที่มีกําลัง เ, เข้าขีดหรือเรียกว่าเข้าขัน้นการทําสมาธิให้ถึงเข้าขีดเข้าขั้นได้นี้ผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความพยายามอย่างสูง คือทําแล้วก็ทําอีกทําแล้วก็ทําอีกทําจนกระทั่งถึงได้ก็เรียกว่าทําถึงอุปจารสมาธิการทําอุปจารสมาธิให้เกิดขึ้นนั้นเป็นพลังคือเป็นพลังใหญ่การเป็นพลังใหญ่นั้นคือสามารถที่จะทําได้หลายอย่าง <c oughs> บางคนนั้น คือหรือว่าพวกฤาษีนั้นเขาก็ทําไปในทางฌานให้สูงขึ้นคือทุติยฌานตติยฌานจตุทชฌานแล้วก็ไปถึงอรูปฌานคืออากาสสัญมนใจยตนะฌานวิญญาณนญจยตนะฌานอากิญจญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน อันนี้ก็ไปทางโลกิยฌานเมื่อทำไปอย่างนี้ก็จะไปถึงอัปปนาสมาธิคือสมาธิชั้นสูงสุดสมาธิขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าเป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยฌานสมาบัติที่เรียกว่าเป็นสมาบัติแปดสมาบัติแปดนั่นก็คื อ, อ ปฐมฌานทุตเยฌานตติตยฌานจตุทะฌานเป็นสี่อากาสานัญญาตนะฌานวิญญาณัญญาตนะฌานอากิจัญญายตนะฌานเนวสัญญาณสัญญายตนะฌานนั่นเรียกว่าอารูปฌานสี่สองสี่เป็นแปดเรียกว่าสมาบัตแปดผู้ที่ได้สมาบัตแปดนั้นก็คือเป็นผู้ที่ สำเร็จทางสมาธิชั้นสูงสุดในทางโลกีเมื่อผู้ที่เข้ามาถึงอุปจารสมาธิาแล้วเช่นนี้เขาไม่ได้เดินทางพระพุทธศาสนาหรือว่าเขาเดินทางมาทางฤทธ์ก็อาจสามารถที่จะเป็นขึ้นมาได้เช่นเหาะเหินเดินอากาศได้ก็มีในอดีต หรือรูอร้จากจิตใจของคนบังคับจิตใจคนได้รักษาโรคภัยได้อันนี้เรียกว่าเป็นฤทธิ์หรือที่เรียกว่าเกิดจากอุปจารสมาธิเพราะว่าอุปจารสมาธินั้นจิตก็เข้าระวังเหมือนกันแต่เมื่อเข้าระวังไปแล้วทำงานในระวังได้เมื่อทำงานในระวังได้ก็เรียกว่าทำได้ด้วยความบริสุทธิ์ ในผวังนั้นการทำงานในผวังได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากจะทำได้เฉพาะผู้ได้อุปจาระสมาธิเท่านั้นผู้ที่ได้อุปจาระสมาธิเท่านั้นที่จะสามารถทำงานในผวังได้ผวังนั้นก็จะมีความชำนาญเพราะการเข้าผวังนั้นต้องอาศัยเข้าหลายร้อยครั้ง นับครั้งไม่ถ้วนเรียกว่าเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกก็เกิดความชำนาญขึ้นเรียกว่าวะศีความชำนาญอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิพอเวลาที่เข้าไปอยู่ในพระวังนั้นมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในจิตสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตนั่นก็คือกระแสจิต หรือเรียกว่าดวงตาทิพย์คือหลับตาเนี่แต่มันมองเห็นมองเห็นก็คือมองเห็นในลักษณะที่ต้องการจะมองเห็นอะไรก็กเห็นสิ่งนั้นในอุปจารสมาธิก็เป็นเช่นนั้นถ้าฉะนั้นในอุปจารสมาธินี่จึงมีการดำเนินสิ่งสำคัญได้ ในพระพุทธศาสนาสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนาที่จะดำเนินได้ก็คือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นคือทำเกิดขึ้นได้ในขณะที่เป็นอุปจารสมาธิดำเนินวิปัสสนากรรมฐานได้เนื่องเพราะเหตุว่าจิตนั้นเกิดความสะอาดและเกิดความผ่องใส หลับตามองเห็นชัดเจนอย่างนี้เรียกว่าจิตที่เป็นอุปจาระถ้าจิตเป็นคันิกะนั้นมองเห็นเหมือนกันแต่ทำอะไรไม่ได้คือกำลังไม่เพียงพอบางทีอาจจะนิมิตเห็นคนแก่คนตายแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เท่านั้นเพราะยังกาลังจิตไม่ถึงขั้นอุปจาระก็เลยทำอะไรไม่ได้ แต่ถ้ากําลังจิตถึงขั้นอุปจาระนั้นไม่ต้องมีนิมิตแต่ว่าทําให้นิมิตเกิดขึ้นมาได้ด้วยสามารถแห่งพลังจิตเพราะฉะนั้นแทนที่จะนําพลังจิตอันนี้เอาไปใช้ส่วนโลกีก็นําเอาพลังจิตนี้มาใช้ส่วนโลกุตระเสียพระพุทธองค์นั้น ต้องการจะให้บุคคลพ้นจากกิเลสและพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏนี้พระองค์จึงได้แนะในการปฏิบัติจิตว่าไม่ให้ไปหลงในทางโลกียะหรือเรียกว่าโลกียะฌานให้จิตนี้น้อมเข้าสู่วิปัสสนาเพราะพลังจิตในขณะนั้น คือว่าได้สะสมมาเป็นอันมากคือได้สะสมมามากแล้วถ้าสะสมมามากเราเอาไปใช้เป็นโลกีมันก็หมดสูญเสียพลังไปในทางที่ประโยชน์น้อยเพราะว่าส่วนที่เป็นโลกีนั้นถึงแม้เราจะใช้พลังจิตไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีอาการที่จะกำจัดกิเลสได้แม้แต่เท่าเส้นขน เขเรียกว่ากําจัด ก, กิเลสไม่ได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นในทางโลกรีนั้นจึงเพียงเพื่อระงับกิเลสเท่านั้นเองความรอดความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่เท่าเดิมราคะโทสะโมหะก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแต่ว่าปิดมันเอาไว้ไม่ให้มันทํางานเพราะเปิดเมื่อไหร่ก็งอกกิเลสก็งอกแล้ว เป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรขึ้นมาเรียกว่ากิเลสงอกนั่นเรียกว่าโลกีส่วนโลกุตระนั้นก็นําอุปจาระจิตเป็นสมาธิที่เรียกว่าเป็นอุปจาระนั้นก็นําเอามาเป็นเครื่องการพิจารณาให้เป็นวิปัสนาวิปัสนานั้นได้แก่ความรู้แจ้งและเห็นจริง ความรู้แจ้งและเห็นจริงนี้คือสิ่งที่จะทำเพื่อกำจัด ก, กิเลสเราจะทำได้เท่าไหร่ก็เป็นการดีกำจัด ก, กิเลสไปทีละเล็กทีละน้อยยังดีกว่าที่ไม่ได้กำจัด ก, กิเลสเสียเลยถ้าเริ่มต้นดำเนินวิปัสสนาเมื่อไหร่ก็เรียกว่าเริ่มต้น รบราฆาฟันกับกิเลสเมื่อนั้นคือรบราฆาฟันกับกิเลสเมื่อนั้นพราฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วอย่างที่เรามาเกิดเนี่ยก็พบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ควรที่จะมองถึงวิปัสนานี้เป็นส่วนสำคัญ เพราะการดำเนินจิตให้เป็นสมาธิเรียกว่าคณิกะ ส, ะสมาธิอุปจารสมาธิอปปนาสมาธิให้เป็นโลกียชฌานนั้นถึงแม้ไม่พบพระพุทธศาสนาก็ทำได้แต่ก่อนแต่ไรมาดึกดำบรนเขาก็ทำได้เรื่องของโลกียชฌานเหาะเหินเดินอากาศด้วยริด ละลึกชาติได้เขาก็ทำได้หรือเขาจะแสดงฤทธ์เดินบนผิวน้ำเขาก็ทำได้หรือเขาจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นส่วนพิเศษให้หายเขาก็ทำได้นั่นเรื่องโลกีฌานแต่ไม่ใช่เรื่อง พ, นพ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องหมดกิเลสฤทธิต์ต่างๆนี้มันก็น่าอัศจรรย์ คนอย่างไปรักษาหมอไม่หายคนที่เขามีพลังจิตเขารักษาหายก็อัศจรรย์อย่างเขาไม่รู้เรื่องอะไรไปบอกเรื่องนี่รเขาถูกก็อัศจรรย์อย่างนี้มันเป็นเรื่องโลกีถึงแม้จะอัศจรรย์แค่ไหนอัศจรรย์เหล่านี้ก็ไม่สามารถกำจัด ก, กิเลสได้แม้เท่าใญ่บววคือยังกำจัด ก, กิเลสไม่ได้เลยส่วนการที่ เรามาดำเนินวิปัสสนานั้นเริ่มกำจัดกิเลสตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เบื้องต้นที่ตั้งท่าก็เริ่มลิดลอนกิเลสแล้วลิดลอนกิเลสในตรงที่ว่าไม่ใช่ตัวตนซึ่งเป็นการฝืนความจริงอย่างยิ่งเพราะเราก็ถือว่าเราแล้วทำไมมันไม่ใช่เรา นี่ขึ้นต้นของวิปัสสนาก็เริ่มต้นแล้วเริ่มต้นสวนทางคือสวนทางกับกิเลสอย่างพวกโลกิยาชานนี่มันไม่ได้สวนทางมีแต่ว่าเงีบลงไปเลยในที่สุดอีกยังไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรอย่างงี้ก็เรียวกว่าเป็นโลกิยาชานไปไม่ได้กำจัดกิเลสเพราะฉะนั้นการตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่วิปัสสนานี้ จึงเป็นการตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่ความกำจัดกิเลสเราอยากจะเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราอยากจะทุกข์ยากในโลกนี้อีกนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านนับโกรธชติอย่างนั้นหรือในเมื่อเราพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ควรเป็นเช่นนั้นเราก็ควรที่จะริดลอนกิเลสเท่าที่สามารถจะริดลอนมันลงไปได้ ดูดูตัวอย่างเช่นท่านพระมหากัสสปะนั่นตั้งแต่อดีตชาติท่านเคยริตลอนกิเลสมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติเคยปฏิบัติมาแล้วเพราะมาอีกชาติที่ท่านมาเกิดในชาตินี้ถึงแม้ท่านจะแต่งงานกับหญิงที่สวยที่สุด แต่ท่านก็ถึงแม้จะนอนในนอนร่วมในห้องเดียวกันท่านก็ไม่แตะต้องกายซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากวิปัสสนานั่นเองเพราะฉะนั้นวิปัสสนาจึงเป็นขนทางที่จะทำให้กิเลสนี้ริลอนกิเลสนี้ออกไปทีละเล็กทีละน้อย ถ้าหากว่าเราทำได้เราทำได้ไม่ใช่ว่าทำเดียเด๋ยวนี้วิปัสนาเดี๋ยวนี้กิเลสมันก็จะหมดเดี๋ยวนี้หาเป็นเช่นนั้นไหมอาจจะต้องใช้การทำวิปัสนานี้สักหนึ่งพันหรือสองพันชาติหรือหมื่นหนึ่งอาจจะหลายหมื่นชาติก็ยังก็อาจเป็นได้เพราะฉะนั้น เราไม่ต้องไปคิดว่าเราดําเนินวิปัสนาเดี๋ยวนี้ก็สําเร็จเดี๋ยวนี้มันเป็นไปยังไม่ได้แต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นซะก่อนเราก็จะต้องหลงทางถ้าหลงทางเราไปเกิดเป็นลือีชีปลายก็ไปอีกเรื่องไปเกิดในพมมโลกกว่าจะได้มาเกิดมนุษย์ก็เป็นกลับเพราะฉะนั้นเรื่องของวิปัสนานี้จึงเป็นเรื่องสมควรแก่การที่เราจะต้องทํา โดยการที่ปรงอนิจังอย่างคนแก่คนเฒ่าเขาบอกบอกว่าไปงานศพนะไปปรงอนิจังน ะ, ะไปปรงอนิจังกันนั่นแหละคือวิปัสสนาเริ่มต้นคือไปปรงอนิจังแต่ว่าพื้นฐานของจิตใจนั้นยังไม่มีถึงแม้จะปรงอนิจังมันก็ไม่เป็นวิปัสสนา การที่จะเป็นวิปัจนาได้นั้นต้องมีพื้นฐานคือมีพื้นฐานที่เป็นกําลังเสียก่อนคือสมาธิที่เป็นอุปจาระและเราก็พิจารณาเข้าไปว่าร่างกายอันนี้ น, นิจังเป็นของไม่เทีย่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ท่านเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นั่น่ะ เป็นสิ่งที่เป็นคําสูงมากผู้ปฏิบัติเข้าถึงขั้นนั้นถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเข้าขัน้นคือเข้าขัน้นวิปัสนาถ้าหากว่าดำเนินถึงไตรลักษณ์อ น, นิจังนั้นเราก็เห็นแล้วว่าความแก่ความสลายตัวความเจ็บไข้ได้ป่วยความผิดเพี้ยนหัดเพี้ยน เหลือความเปลี่ยนแปลงต่างๆแตเดี๋ยวพ่อตายก่อนลูกลูกตายก่อนพ่อแม่ตายก่อนลูกลูกตายก่อนแม่หลานตายก่อนหน้าหน้าตายก่อนหลานลุงตายก่อนหลานหลานตายก่อนลงุงมันก็ไม่เทียมกัเรียกว่าอานิจจงเราจะเอาสิ่งเทียมที่ไหนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุบายวิปัสสนาที่เราควรจะต้องทําให้เกิดขึ้น ในขณะเรานั่งสมาธิทุกขังความเป็นทุกข์ต่างๆเราก็ปรากฏอยู่ทุกข์เรื่องความไม่สบายทุกข์เรื่องความปวดเมื่อยทุกข์เรื่องความลำเค็นต่างๆความลำเค็นที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนาต้องการแต่มันก็ไม่ได้ตามความต้องการเจ็บใจนะ นั่นแหละเรียกว่าความทุกข์ใครเล่าที่ไม่เคยเจ็บใจใครเล่าที่ไม่เคยโมโหใครเล่าที่ไม่เคยถูกคนอื่นทำร้ายจิตใจมันก็มีด้วยกันทางนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เรียกว่าทุกขงังความเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นอุบายหนึ่งของวิปัสสนาร่างกายของเหล่านี้จนจะตายมันก็เรียกว่ามาหาทุกข์ วิ่งวันกันส่งโรงพยาบาลใสออกซิเจนใสอะไรปั๊มหัวใจว่ากันกรลุกตุ้ตักในที่สุดสู้ได้ก็ได้สู้ไม่ได้ก็ตายไปอันนั้นเรียกว่าทุกข์ขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเขาเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็เพราะร่างกายอันนี้มันเป็นธาตุใครไปถือว่าเป็นตัวได้ยังไง ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนอ่อนอๆเหลวๆก็เป็นธาตุน้ําส่วนใดพัดไปพัดมาก็บธาตุลมส่วนใดร่าวร้อนก็เป็นธาตุไฟก็ธาตุทั้งสี่ดินน้ําไฟลมก็เห็นกันอยู่อย่างเราเอาไปเผาไฟอย่างนี้ร่างกายของเราไปเผาไฟบางทีน้ําเหลืองออกมาไฟเผาก็ร้อนเดือดฉี่ๆออกมาเนี่ยนะนั่นแหละเรีย ก, กว่าน้ํา ดินน้ำไฟลมกระจายลงไปก็หมดเหลือแต่ดินอันนี้ก็เรียกว่าอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นตัวตนนะเราต้องบอกมันได้ถ้าบอกมันไม่ได้จึงไม่ใช่ตัวตนแกอย่าแกะนะแกะอย่าตายนะวัยวันอีกสักวันสองวันสะกก่อนค่อยตายวันนี้อย่าเพิ่งตายก็แล้วกันก็บอกไม่ได้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราอย่างที่อธิบายมานี้เรียกว่าไตรลักษณ์ถ้าเรานั่งสมาธิไปจิตเป็นอุปจาระเราก็นึกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจะเป็นนึกอนัตตาก็ได้จะเป็นนึกทุกขั้ังก็ได้จะเป็นนึกอนิจจังก็ได้ พอเรานึกปล ong ไปปล ong ไปนี่กิเลสมันจะค่อยตกสะเก็ดหลุดไปเดี๋ยวตรงนั้นก็หลุดไปเดี๋ยวตรงนี้ก็หลุดไปหลอกกิเลสในเมื่อเราทําถูกเหมือนกันกับเราจะค้อนต้นไม้เราก็ตัดโคนมันอย่างนี้เป็นต้นการที่จะให้เกิดความที่เป็นวิปัสสนาแท้จริงก็คือมองดูอัตภาพร่างกาย ให้เห็นความแตกสลายให้เห็นความเน่าเปื่อยให้เห็นความที่มันจะต้องกลายเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีสภาพที่เป็นร่างกายเหลืออยู่หลับตามองดูอุปจารสมาธินั้นสมาธิอยู่ในภวังเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็สามารถมองเห็นได้เมื่อมองเห็นได้ก็เกิด สิ่งหนึ่งขึ้นมาในใจสิ่งนั้นคือวิปัสนาหรือเรียกว่านิพิทายานคือความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายนั่นแหละเรียกว่าวิสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นวิปัสนาดังเช่นท่านปัญจวัคคีย์ท่านฟังอนัตตลัคนาสูตรแล้วรู้ปัจสเมงปินิบินติท่านเบื่อหน่ายในรูป ความเบื่อหน่ายอันนี้เรียกว่าวิปัสนาแท้จริงเมื่อเราทำลงไปทําลงไปเมื่อไรเราถึงจะเกิดนิพพยานขึ้นมายังไม่เกิดหรือเราก็ทำให้ทำมันไปเรื่อยๆมันก็มีสักวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นวิปัสนานั่นหรือนิพพยานความเบื่อหน่ายนั่นไม่ใช่มันเกิดบ่อย แต่มันจะต้องเกิดเฉพาะที่เราทำจิตถึงที่เราพิจารณาวิปัสนาถึงที่เห็นจริงแจ้งไปจักถึงที่แต่ละครั้งมันก็จะเกิดนิพพ า, านญาณความเบื่อหน่ายขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ต้องเข้าใจว่าการดำเนินเข้าสู่วิปัสสนานั้นเมื่อเบื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ว่าเราได้สำเร็จเรายังไม่ได้สำเร็จ ยังเพียงแกะกิเลสปิจิรานิสทิหนนอยยังไม่ถึงขั้นจำเป็นที่จะต้องใช้นิพิทยานความเบื่อนหน่ายขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนหรือเรียกว่านับชาติไม่ถ้วนก็นแล้วกันกว่าจะได้สาเร็จยกตัวอย่างเช่นท่านยศกุลบุตรท่านยศกุลบุตรนั้นแต่อดีตชาติท่านเป็นผู้ที่ เอาศพไปเผาเรียกว่าศพไม่มีญาติท่านจะทำบุญอย่างนั้นท่านยศศักคุณลบุตรเนี่ยวันหนึ่งมีศพผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสิบหกปีกำลังสาวแล้วก็ตายด้วยโรค ก, กัะทันหันท่านก็นำเอาศพเนี่ยขึ้นไปเผาในขั้นแรกเนั้นเวลาอาบน้ำศพก็ดูสวยดี แต่เผาไปเผาไปมันเกิดไม่น้ำเหลืองไหลดำเป็นตอตะโกท่านเกิดวิปัสสนาขึ้นท่านก็ไปเรียกเพื่อนของท่านมาอีกห้าสิบสี่คนบอกว่ า, วาแหมฉันได้ความเบื่อหน่ายแล้วพวกนั้นก็มาพิจรารณาก็เกิดนิพพยัญความเบื่อหน่ายเช่นเดียวกันเมื่อมาชาติที่ท่านเป็นพระยศะกะุลระบุชาตินี้ท่านมาเห็นนางบำเลอทท่ เขาเออกมาบำเพอท่าน่ะเป็นผู้หญิงสาวๆต่างๆนั่นน่ะก็นอนเปลยกายว่าน้ําลายไหลบ้างพอมองเห็นก็สังเวชสลดใจท่านก็เลยหนีจากกษัตริย์ไปพบพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนะมฤุกะทายวันอย่างเนี้เมื่อท่านไปแล้วพบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านก็ได้ตัดสู้ ท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอระหันต์นี่แหละการบำเพ็ญวิปัสสนานั้นต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนาน<ม>เรื่องของสมาธิสมาถาวิปัสสนาจึงเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจพยายามกระทําให้เกิดขึ้นด้วยความสม่ำเสมอ ทำไปเลยเลยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆด้วยความสามารถและด้วยความมั่นคงเราก็จะไปประสบผลสำเร็จซึ่งเป็นที่รอเราท่านทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงที่สุดถึงที่สุดนั้นเราก็จะเป็นดอกบัวบานเหมือนกับท่านผู้บานแล้ว ท่านผู้บนแล้วผู้สำเร็จแล้วนั่นเยอะเราก็จะเป็นเช่นกับท่านผู้สำเร็จแล้วเช่นเดียวกันในเมื่อเรามาเริ่มต้นผนทางวิปัสสนาแล้วอย่างนี้ต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิกันต่อไป